สมาธิไม่ได้มีอย่างเดียวสมาธิของคนทั่วไปคือจับเอาจิตไปเพ่งอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งนิ่งๆ น, นานๆทําได้สําเร็จ ก, ก็กลายเป็นได้สมาธิขึ้นมาเช่นจับอยู่จุดที่ปลายจมูกหรือไปดูดอกไม้หรือเพ่งเล็บหรือไปอยู่กับคําบริกรรมคําใดคําหนึ่งนานๆเป็นสมาธิที่โลกคุ้นเคยแต่ตอนที่ท่านทําตอนที่เป็นเด็กเนี่ยไม่ซ้ํากับ ที่ชาวโลกก็ทํากันแต่ในในประวัติในตําราเนี่ยไม่ได้แจ้งรายละเอียดว่ามันต่างกันยังไงคนอ่านพุทธประวัติบางทีก็เอ๊ะทำไมไปเรียนกับอราลระดาบทกับอุทธกดาบทแล้วทําฌานถึงขั้นฌานที่8แล้วแล้วกลับไปใช้วิธีตอนที่ท่านเป็นเด็กทําฌานที่หนึ่งมาทำไมมันต่างกันตรงไหนท่านบอกว่าสมาธิมีหลายแบบท่านที่ว่านี่คือพระพุทธเจ้าเอง เพียงแต่ว่าไม่ได้แจกแจงออกมาแยกแยะว่ามีมีแบบไหนบ้างมีอยู่บทหนึ่งเรียกว่ารัตนสูตรเป็นบทที่พระท่านจะไปสวดตามบ้านเวลามีกิจนิมนต์เวลายมทาบุญที่บ้านเคยนิมนต์พระไปบ้านบ้างั <c> ้ม <oughs> ใครเคยจัดงานทาบุญที่บ้านบ้างมีไหม แล้วมีพระไปสวดด้วยนะไม่ใช่นิมนต์ไปนั่งคุยเฉยๆนะไปไปสวดด้วยนะจะมีอยู่บทหนึ่งเวลาท่านทำน้ำมนต์จะมีอยู่บทหนึ่งเป็นบทเริ่มจุดจุดเทียนแล้วพอถึงบทนี้จะเป็นบทที่ท่านเตรียมจะดับเทียนคือรัตนสูตรรัตนสูตรเนี่ยพอถึงคาถาสุดท้ายจะเป็นคาถาที่ ท่านจะดับเทียนแต่ก่อนจะถึงคาถาสุดท้ายเนี่ยเป็นคาถาที่แสดงคุณของพระธรรมคุณของพระธรรมที่ท่านแสดงเนี่ยบาลีบอกว่ายมพุทธเศถโถปริวันนยีสุจริงสมาทิมานันตริกัญญมาหุสมาทินาเตณสมโณวิชติอิธรรมปิธรมเมรตานังปณีตังต้องแปล ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดแสดงสมาธิอันหนึ่งว่าเป็นเลิศแสดงว่าสมาธิมีหลายอย่างแต่ท่านแสดงสมาธิอันหนึ่งที่เป็นเลิศสมาธิอันนั้นเป็นสมาธิที่ให้ผลตามลําดับนี่แปลแปลนะถ้าใช้ศัพท์ทับศัพท์ก็เรียกว่าอนันตริกะสมาธิแปล บาลี Bali, ตรงนี้ให้เป็นไทยง่ายๆก็คือว่าสมาธิที่ให้ผลตามลําดับคือถ้ามีสมาธิตัวนี้แล้วจะต้องเกิดมรรคผลสมาธิตัวนี้นะได้แล้วจะเกิดมรรคผลได้ตามลําดับเลยอันนั้นตริกะสมาธิคือไม่มีระหว่างด้วยตัวนี้นะได้สมาธิตนวนี้ไดได้มรรคผลเลยอันเนี้ยไม่ทั่วไป สมาธิอันนี้ไม่ทั่วไปพระอัตถคาธาจารย์ก็บัญญัติเรียกชื่อสมาธิตัวนี้ไปเทียบกับสมาธิที่โลกเขารู้จักกันสมาธิที่โลกเขารู้จักกันเนี่ยจะเรียกชื่อหนึ่งว่าอารมณมูปนิชฌานสมาธิที่เพ่งอารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่จิตไปรู้เขา้าเพ่งอยู่กับอารมณ์คือเพ่งเล็บเล็บนี่เป็นอารมณ์ก็เพ่งอยู่กับเล็บถ้าจิตไม่วกแวกไปไหนเลยก็อยู่กับเล็บ จุดเทียนขึ้นมาเพ่งเทียนคือเพ่งไฟก็อาศัยกระสินไฟดูแสงสว่างก็อารลโกสินแต่สมาธิที่ท่านว่าที่ว่าเป็นอนันตริกะสมาธินี่คือสมาธิที่พระอัฏฐกถาศาจารย์เรียกว่าลักขณูปนิชฌานเคยได้ยินคำนี้ั้มแต่ถ้าพระพุทธเจ้าตรัสเรียกเองคืออนันตริกะสมาธิสมาธิตัวนี้คือ ได้แล้วไปแน่หามักผลแน่คือเป็นสมาธิที่เห็นลักษณะของสังขารขันสังขารธรรมทั้งหลายอภิสังขารมานตัวนี้ก็เป็นการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นถ้าเราไปเพ่งมันอยู่นิ่งก็จริงนะแต่เป็นการปรุงแต่งความว่างบ้างปรุงแต่งความนิ่งบ้างเป็นการปรุงแต่งแต่ถ้าเราไปเห็นความปรุงแต่งตัวนี้ ว่ามันเป็นการเพ่งเป็นการบังคับบีบบังคับไว้ด้วยความรู้ตัวปกตินี่นะเราเห็นว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ถูกดูไอ้ตัวรู้อีกอยู่อีกตัวหนึง่งเห็นความปรุงแต่งเป็นด้านดีนานๆจะมีทีก็ดูได้น้อยหน่อยเห็นความปรุงแต่งด้านร้ายเป็นโลภโกรธหลงมีบ่อยก็ดูบ่อยหน่อย อเนนชาพิสังขารทําไม่ค่อยเป็นก็ยังไม่ต้องดูก็ดูไอ้สิ่งเนี้ยปรุงดีบ้างปรุงร้ายบ้างอยากจะบังคับมีตัวอย่ากอีกตัวหนึ่งนะแต่บังคับยังไม่ได้ยังไม่สําเร็จก็ดูตัวอย่ากไปพยายามบังคับอยู่เห็นการบีบเกรงของจิตเห็นการกระทําบีบกดของจิตถ้ายังบังคับอย่างนี้ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่สมาธิตัวที่ท่านบอกว่า เป็นอนันตริกะสมาธิคือให้ผลตามระดับครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อปรโมโอตอนนี้ท่านจะสอนวิธีง่ายๆสาหรับการทำสมาธิตัวนี้คือทาความรู้ตัวก่อนทาความรู้ตัวไม่ปล่อยใจลอยรู้ตัวเห็นกายหายใจไม่ใช่เห็นลมหายใจถ้าไปดูที่ลมหายใจกลายเป็นธรรมอารัมมณูปนิชฌาน เห็นลมเห็นลมเป็นอารมณ์เห็นลมหายใจนี่เป็นอารมณ์ไปเพ่งที่ลมก็กลายเป็นการทำอารม์มนูปนิชฌานนี้ทําไมเพ่งทำความรู้ตัวบอกรู้ตัวอยู่ตรงไหนบางที ค, คํครูบาอาจารย์ก็ใช้ว่ามีมีสติรู้อยู่เฉพาะหน้าไม่ใช่รู้ที่ใบหน้าแต่รู้อยู่ตรงนี้เหมือนรู้อยู่ไม่ได้หลบหรือเผลอไปไหนแลวไม่ได้บังคับอยู่จุดใดจุดหนึ่งรู้ รู้อยู่เฉพาะหน้าเห็นกายนี้หายใจและเป็นปกติของพวกเราเลยคือมันไม่ยอมอยู่นิ่งจิตนี้จะคอยหาอะไรกินไปเรื่อยๆมันคอยจะหาอะไรกินไปเรื่อยเหมือนเหมือนเวลาเราไปตลาดแล้วก็จะหาอะไรมองไปเที่ยวห้างก็จะหาอะไรมองสนใจไปเรื่อยๆจิตนี้ก็คล้ายๆกันแหละจะมีสรพรพสินค้าให้จิตเลือกชมไปเรื่อยๆ อยู่นิ่งๆกำลังเห็นกายหายใจแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็จะไหลไปกินอารมณ์นี่พูดตามศัพท์ภาษาชาวบ้านไปกินอารมณ์แต่สมัยก่อนเนี่ยครูบาอาจารย์จะยกย่องพวกเรามากเลยจะบอกว่าเสวยอารมณ์จะเป็นให้พวกเราเป็นชาวบางให้ได้เลยนะจะใช้คํานั้นก็ได้เป็นเสวยอารมณ์ก็ได้จิตเนี่ยจะคอยไปเสวยอารมณ์มันจะคอยคิดคอยจะไปดูจะไปฟังกําลังรู้ตัวอยู่เนี่ยนะ พอนกร้องขึ้นมามันก็จะไหลไปกำลังรู้ตัวอยู่เนี่ยพอมีคนเดินผ่านมาก็จะไหลไปไหลไปหาคนไหลไปหาเสียงแม้ไม่มีอะไรกวนเลยก็ไหลไในเรื่องของความคิดไปเรื่องราวในความคิดถ้าเราไม่ทำความรู้ตัวตั ว, ตวนี้ก่อนนะจะไม่เห็นว่าจิตมันไหลแล้วต้องตั้งเป้าหมายว่าไม่ได้ทาเพื่อให้จิตนิ่งไม่ได้แกล้งให้จิตดี เป้าหมายคือจะให้รู้ของจริงจิตมันทำงานอย่างนี้จิตมันไหลไปอย่างนี้ถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าจะทำยังไงให้จิตนี้มันนิ่งให้มันสงบให้มันดีเราจะเห็นการไหลไปการเผลอไปเป็นศัตรูเห็นการไหลไปการเผลอไปมันแสดงตัวนี้ตัวอภิสังขารมานเห็นว่ามันเป็นมารแต่ถ้าเราตั้งตั้งมุมมองที่ดีขึ้น จะเห็นว่ามันเป็นมิตรมันแสดงว่าจิตนี้กำลังทำงานทำงานอยู่ก็เห็นมันมันปรุงแต่งไปก็รู้ทันมันปรุงแต่งไปก็รู้ทันมันอยากดีบังคับเอาไว้ก็รู้ทันมันเผลอไปกับโลกเผลอไปเสพอารมณ์เผลอไปเสวยอารมณ์เผลอไปกินอารมณ์แล้วแต่ระดับระดับอะไรชนชั้นของแต่ละคนคนชั้นสูงหน่อยก็เสวยอารมณ์ คนชั้นธรรมดาก็เสพอารมณ์ชนชั้นต่ำหน่อยก็กินอารมณ์ยังมีคำต่ำกว่านัา้นอีกนะต้องไปห า, าเอง <laughs>